เราอนุญาตหน้าต่างสามชนิดคือหน้าต่างมีลวดลายทำเป็นกระงหน้าต่างมีตาข่ายหน้าต่างมีลูกกรงกระแตบ้างค้างข่าวบ้างก็ยังเข้าไปที่ซอกหน้าต่างได้ภิกษุทั้งหลาย จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตผืนผ้าเล็กสําหรับกั้นหน้าต่างกระแตบ้างค้างข่าวบ้างก็ยังเข้าไปทางช่องหน้าต่างภิกษุทั้งหลาย